ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปคือนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิอาจมาจะได้นำก่อนให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้าระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมรรรคุณพระสงฆ์ ค, คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาล <sociales> ให้ใจของข้าพเจา้ า, จ, า <leverage> จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาดิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้าย มือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไวบ้บนตักนึกพุทโธหลับตาอย่ากลั้นใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจถืออกเบื้องซ้ายอย่ากั้นลมหายใจอย่า ก, กดดันอวัยวะทั้งปวงปล่อยร่างกายของเราให้สบายนึกว่าเราอยู่คนเดียว เกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวทั้งนี้เพื่อให้เกิดความวิเวกความวิเวกนั้นมีอยู่สามประการกายะวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกวิเวกนั้นแปล ว, ว่าปราศจากเครื่องกังวลเรียกว่าวิเวกหรือปราศจากสิ่งรบกวนเรียกว่าวิเวก กายะวิเวกนั้นคือการแยกออกหมายถึงว่าอยู่ส่วนเดียวให้กายเหานี้ไม่ปะปนคนอื่นเรียกว่ากายวิเวกเมื่อได้กายวิเวกแล้วเราก็ทำจิตของเราให้สงบความสงบของจิตนั้นเรียกว่าจิตตะวิเวก ถ้าจิตยังมีอารมณ์อยู่ตราบใดจิตนั้นก็ยังไม่เป็นจิตวิเวกยังเป็นจิตที่เกี่ยวข้องกังวลแต่เมื่อจิตนั้นไม่มีอารมณ์ไปปราดอารมณ์ทั้งปวงเหลือแต่พุทโธเท่านั้นก็เรียกว่าจิตวิเวกอุปธิวิเวกนั้นได้แก่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาสามารถกําจัดกิเลส มีราคะเป็นต้นออกไปจากจิตได้เรียกว่าอุปธิวเวกวิเวกทั้งสามประการนั้นมีส่วนที่จะเป็นเครื่องอุปการะซึ่งกันและกันเราต้องการความวิเวกบางท่านจึงได้ออกธุดองไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ปราศจากเครื่องกังวล ในป่าในดงในถ้าในภูเขาในบ้านร้างอารัญเยรุขมูมเลวาสุญญาคาเรเเจพิคโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนที่จะทำให้เกิดความวิเวกนั้นอรัญเยคือในป่ารุขมูมเลคือใต้โผนต้นไม้สุญญาคาเรในเรือนว่างนี่เรียกว่ากายะวิเวก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดจิตวิเวกในเวลาต่อมาพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ประชุมกันอยู่ในระยะที่พวกเราพากันอยู่จำนวนมากเช่นนี้แต่เรามีความสงบมีความเงียบก็ชื่อว่าเป็นจิตวิเวกเช่นเดียวกัน ผู้ที่ไปอยู่ในป่าหรือผู้ที่ไปอยู่ในโคนต้นไม้แต่ไม่มีความสงบคุยกันบ้างหรือมีอะไรก็หัวเราะเฮฮากันไปตามเรื่องตามราวถึงแม้จะอยู่ในป่าก็ไม่ได้กายวิเวกถึงแม้จะไปอยู่ใต้โคนต้นไม้ก็ไม่ได้กายวิเวกแต่ถ้าหากว่าอยู่รวมกัน เป็นจำนวนมากไม่มีเสียงอื้ออึงคันหนึง่งไม่มีการคุยวระเฮาอย่างนี้ก็ถือว่าได้กายวิเวกเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพุทธบริษัทที่ได้มาฟังธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณลัติวันนครราชครึ ซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นหัวหน้าได้นำประชาชนมาเป็นจำนวนถึงส2บสองหมื่นคนสิบสองหมื่นคนนั่นก็มากกว่าที่เรานั่งอยู่นี้ถึงหลายสิบเท่าและท่านเหล่านั้นก็ได้กายวิเวกเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าแล้ว มีคนจำนวนมากไม่มีแม้กระทั่งการกระแอมไอหรือไม่มีแม้กระทั่งจะพูดจาเ ส, สื่อมรามเพราะฉะนั้นแม้จะอยู่เป็นจำนวนหมืน่นจำนวนแสนก็ถือว่าเป็นกายวิเวกซึ่งในการต่อมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอกตั้งใจฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเหล่านั้น ก็ได้จิตวิเวกในเวลาต่อมาจิตวิเวกนั้นก็คือจิตของท่านไม่เกี่ยวข้องกังวลด้วยอารมณ์ความคิดความนึกต่างๆไม่ได้มาเป็นภัยอันตรายเพราะจิตนั้นแน่วแน่ฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในที่สุดบริวารของพระเจ้าพิมพิสาร จำนวนส2บ0 0 0หมื่นคนก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลเสีย11 0 0 0 0หมื่นคนซึ่งก็เรียกว่าได้ผลถึง 90% สเปอร์เซอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าแม้การอยู่จะมากไมยเพียงใดแต่ว่ามีความสงบเงียบไม่มีแม้การแกลอมไอก็ได้ชื่อว่าเป็นกายะวิเวก อันเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะให้ถึงจิตวิเวกการปราศจากหรือการที่จะทำให้จิตของเราปราศจากซึ่งอารมณ์นั้นบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาศัยผู้ที่อยู่ร่วมกันต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอดทนถ้าเราจะไปทำอะไรสักคนหนึ่ง ก็อายเขาหรือเราจะไปทำเคลื่อนไหวอะไรสักนิดหนึ่งก็อายเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการบังคับตนของตนไปในตัวเสร็จในสมัยที่อาตมาเคยไปนั่งสมาธิร่วมกับประชาชนเป็นอันมากในอดีตนั้นก็อาศัยเหตุอันนี้พระในคราวที่ เจ็บปวดเมื่อยยังหนักถ้าหากเราจะเคลื่อนไหวร่างกายก็จะแสดงว่าเรานี้เป็นคนไม่เอาไหนเป็นที่ดูถูกต่อเพื่อนฝูงก็าอาศัยความอดทนอันนั้นแต่ก็เพราะอาศัยความอดทนอันนั้นในที่สุดจิตมันก็รวมบังเกิดผลขึ้นมาได้เขาเรียกว่าอัญญมัญยังอาศัยซึ่งกันและกันนอกเหนือจากนั้น กระแสธรรมเทศนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตสงบในสมัยที่อตมาจะเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นในอดีตนั้นเคยมานั่งฟังเวลาท่านอธิบายธรรมะบางครั้งท่านจะอธิบายถึงชั่วโมงบางครั้งท่านอธิบายถึงสามชั่วโมงก็มี ทำไมท่านจึงได้พูดนานนักหนาทำไมท่านได้อธิบายมากนักหนาทำไมถึงจะจดไหวทำไมถึงจะจำไหวมากมายเหลือเกินพูดพูดไปอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสามชั่วโมงนั่นเป็นคำพูดนับเป็นหมื่นเป็นแสนคำซึ่งไม่สามารถจะจดจำได้หรอกแต่ว่า ท่านได้เคยอธิบายว่ากระแสรธรรมเทศนานั้นเป็นกระแสที่มีทรงอานุภาพที่ว่าทรงอานุภาพนั้นเพราะสามารถสะกดจิตของบุคคลให้สงบได้เป็นความจริงในเมื่ออาตมาได้ฟังแม้จะเป็นเวลาถึงสามชั่วโมงก็เหมือนกันกับเพียงนาทีเดียว ปพระเหตุใดพระเหตุว่าพลังจิตของท่านและกระแสธรรมที่ออกจากจิตของท่านได้ไปบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่ผวังหรือบังคับจิตของเรานั้นให้ลงสู่จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่จะเกิดพลังงานหรือเป็นจุดที่จะเกิดความเยือกเย็นหรือเป็นจุดที่จะเกิดความละเอียดอ่อน และธรรมะนี้สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นได้จริงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงใช้วิธีการที่ได้เคยได้ผลมาแล้วนำมาใช้แก่ญาติโยมทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้หรือสถานที่อื่นๆก็ได้ผลตามลำดับมาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ากระแสรธรรมเทศนานั้น เป็นกระแสะที่มีความคมและเป็นกระแสะที่มีความรึกซึ้งผู้ที่ฟังนั้นไม่จําเป็นต้องจดจําเพียงแต่กาหนดจิตให้เป็นพาสชนะเท่านั้นเองกระแสธรรมเทศนานี้จะลงไปสู่จุดที่ตนต้องการพาสชนะถ้าหากว่าหงายก็สามารถรองรับน้ำฝนได้เต็มที่ ภาชนะหากว่าควา่าน้ำฝนตกเทไหลก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นการที่กระแสธรรมเทศนาก็เปรียบประดุดเจน้ำอมฤตที่จะเข้ามาชำระร่างจิตข้อนี้จึงไม่มีความสงสัยเลยในเมื่อท่านปัญจวัคคีทั้งห้าได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านก็ได้ถึงซึ่งวีมุิคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งมวลประชาชนที่มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าในเวลาทุกวันทุกวันนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงพาสิทธธรรมะต่างๆเข้าสู่หัวใจพุทธบริษัทเหล่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนา มหาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุมรคผลธรรมพิเศษต่างๆมีพระโสดาบันเป็นต้นทุกลังไปเราท่านทั้งหลายแม้เราจะไม่ถึงแก่การบรรลุแต่เราก็บรรลุสิ่งหนึ่งคือความเย็นหรือความสบายหรือความผ่องใสหรือความสะอาดหรือความสงบย่อมเกิดขึ้นนั่นแหละ เรียกว่าผลบังเกิดขึ้นการบังเกิดผลขึ้นนั้นหมายความถึงว่าผลที่เกิดขึ้นจากความนิ่งจิตของเราที่จะเกิดพลังได้นั้นเกิดขึ้นจากความนิ่งเมื่อนิ่งเท่าไหร่เมื่อรวมตัวย่อลงมามากเท่าไหร่หรือเป็นหนึ่งมากเท่าไหร่พลังจิตก็ยิ่งจะเกิดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการที่เราพากันสร้าง ความดีขึ้นนี้หมายความถึงว่าความดีย่อมจะยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นความบริสุทธิ์นั้นจะต้องปราศจากอาสวะกิเลสเรีย ก, กว่าความบริสุทธิ์กิเลสนั้นมีความโลภความโกรธความหลงมีราคะโทสะโมหะสามประการเรีย ก, กว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสรากเหง้าของกิเลสนั้น เป็นอยู่ภายในจิตของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นฝังสนิทยอยู่ในจิตของเรานี้ตลอดดึกดําบรรมาแล้วนับเป็นอาเนกชาติติสังสารังคือนับชาติไม่ท้วนที่กินเดเหล่านี้ได้ฝังสนิทยอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปไหนเราจะมาที่ไหนเราจะอยู่อย่างไร อาสวะกิเลสเหล่านี้ก็คืออยู่ในจิตของเรานั่นเองเพราะฉะ น, นั้นในเมื่อเราพากันสร้างพลังจิตชนิดหนึ่งเข้าพลังจิตอันนี้จะเข้าไปเป็นการต่อสู้คือการต่อสู้กับพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อการต่อสู้กันขึ้นมันก็เรียกว่ากระทบกระเทือนกินเลสมันเคยมีอานาจ มันเคยเป็นใหญ่ในใจของเรามาบัดนี้เรากําลังที่จะขจัดหรือเรียกว่ากําจัดมันซึ่งไม่มีครั้งใดหรือไม่เคยที่จะถูกทําลายหรือถูกกําจัดเช่นนี้มันก็จะต้องลุกขึ้นต่อสู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาทําสมาธิหรือผู้ที่จะมาบําเพ็ญความดี จึงจำเป็นต้องต่อสู้มานับตั้งแต่เราคิดเราคิดว่าจะมาทำสมาธิอยู่ที่บ้านก็ต้องต่อสู้แล้วว่าเราจะมาดีหรือไม่มาดีในที่สุดเมื่อเราแพ้ก็ไม่มาแต่ถ้าเราชนะก็มาก็หมายความว่าชนะไปขั้นหนึ่งเมื่อชนะแล้วมาถึงกลางทางก็ยังต้องลังเลและสงสัยว่า เราจะไปดีหรือไม่ไปดีกลับบ้านจะดีกว่าหรือไงอย่างนี้ก็เรียกว่าต่อสู้กันใหม่อีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าของเราในครั้งที่พระองค์เป็นสิทธัตถะเมื่อสเสด็จออกจากมหาราชวังถึงกลางทางก็มีพยามารมาดักบอกว่ า, วาอย่าไปเลยสิทธัตถะท่านกลับไปอีกเจ็ดวันเท่านั้นท่านก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิแล้ว ท่านจะออกไปบวชทําอะไรพระพุทธพระสิทธะในในขณะนั้นเพียงได้กล่าวกับพญามารบอกว่าดูก่อนพญามาร น, น้ำลายที่เราบ้วนออกไปแล้วเราจะไม่เอามันกลับคืนมาอีกพระองค์ก็ชนะไปพวกเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราชนะกลางทางแล้วก็มาถึงสถานที่เมื่อมาถึงสถานที่ก็ยังคิดว่า เราจะเอาอย่างไรดีเมื่อเราเอาได้ก็ได้เอาไม่ได้เรากลับไปรือยอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในจิตแต่ในขณะนั้นเราก็ได้ต่อสู้ในที่สุดมัน เ, เราก็สามารถนั่งสมาธิได้ก็ถือว่าชนะเป็นขั้นที่สามจากนั้นก็เกิดความกระวนกระวายในจิตใจอยากจะคุยบ้างอยากจะพูดบ้าง อยากจะทำอย่างนั้นบ้างอยากจะเคลื่อนไหวร่างกายบ้างอะไรๆต่างๆเหล่านี้ก็วนแล้วแต่เป็นขันธมนันที่จะมากระทำเรานี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อสู้นี่หมายถึงพวกกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นมาจนกระทั่งถึงอารมณ์ที่เราจะทำให้จิตของเรานี้สงบ มันก็เอาทางไหนไม่ได้แล้วมันก็เอาทางอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นก็เข้ามากวนใจของเราบอกว่าเวลานี้งานนั้นยังมีเวลานี้งานนี้ยังมีแล้วเราทำไมไม่งานนั้นทำไม่ทำงานนั้นมามัมนั่งอยู่ทำไมนี่มันก็ทำให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องต่อสู้กันใหม่ ต่อสู้ไปต่อสู้มาพวกมันก็แพ้เหลือแต่จิตดวงเดียวเมื่อเหลือจิตดวงเดียวได้ที่นี้ความชนะอยู่แค่เอื้อมที่เราจะเหยียบศรีรษะของพญามารได้แล้วก็คือความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นเขาเรียกว่าน้ำจิตน้ำจิตที่เกิดความเป็นหนึ่งนี้ถือว่าเป็นสมาธิ ความเป็นสมาธิเกิดขึ้นครั้งใดท่านทั้ ง, งหลายพึงเข้าใจว่าเราได้ชนะมันครั้งนั้นครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งรอยครั้งพันเราได้ชนะมันแล้วเมื่อเราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้แล้วและเราชนะมันแล้วเราก็จะต้องรักษาฐานะการรักษาฐานะต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาฐานะของความเป็นผู้ชนะให้ตลอดเพราะว่าเมื่อเราจับที่มัน่นหรือเรียกว่าบุกยึดที่มั่นของพวกกิเลสได้แล้วเราจะไปปล่อยให้กิเลสมันกลับคืนมายึดที่มั่นอีกเราก็เป็นอันว่าเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เรารักษาฐานะความชนะของเราเอาไว้ให้ตลอดกาลหากว่าเรารักษาฐานะของเราให้ตลอดกาลได้เราก็สามารถสร้างที่มันมรรม่นของเราให้เข้มแข็งต่อไปการสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งนั้น จำเป็นต้องใช้การใช้เวลา เ, เราจะทำสมาธิวันเดียวให้สำเร็จไม่ได้เราจะทำสมาธิเพียงชั่วคณะสำเร็จไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาอันยาวนานจะเป็นห้าปีสิบปีหรือตลอดชีวิตเราก็ว่ากันไปอย่างอาจามาเคยเสมาธิมาตั้งแต่อายุส3บสามาจนกระทั่งถึงอายุหกสิบสี่ สมาธินั้นก็ยังต้องตั้งมั่นอยู่ตลอดการเพราะว่าพวกกิเลสอาสวะต่างๆนั้นมันไม่ได้เลือกว่าเราจะเป็นใครองนี้แหบเป็นสมเด็จองนี้เป็นเจ้าคุณอง์นี้เป็นพระธรรมดาอง์นี้เป็นสามนเณรแล้วกิเลสมันจะเลือกย่ำยีกระนั้นหรือก็หาใช่ไม่กิเลสมันก็สามารถย่ำยีได้ แม้จะเป็นพระใหญ่พระเล็กหรือจะเป็นสมเด็จหรือจะเป็นพระธรรมดาหรือจะเป็นใครก็ตามกิเลสย่ำยีได้ทั้งหมดทางฝ่ายคาราวาสก็เช่นเดียวกันผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นในร้อยในพันในพนหรือจะเป็นอธิบดีหรือจะเป็นผู้ใดก็ตามตลอดถึงนายกจะลอดถึงผู้เป็นรัฐมนตรีไม่ว่า กิเลสนั้นไม่ยอมเลือกบุคคลผู้ใดทั้งสิ้นมันสามารถที่จะเข้าย่ำยีได้อำนาจที่เกรียงไกรที่สุดจะมีกองทัพมหืมารถถังปืนใหญ่ต่างๆจะเอามายิงต่อสู้กับกิเลสนั้นยิงมันไม่ได้แต่ว่ากิเลสสามารถที่จะย่ำยีพวกที่มีอำนาจต่างๆได้ทั้งสิ้นไม่ว่าใครทั้งนั้น และก็ไม่ว่าตลอดจนกระทั่งคนธรรมดามาจนกระทั่งถึงคนปกติถึงคนขอทานมาจนกระทั่งถึงข้อค้าประชาชนทุกคนนั้นใครๆจะคิดว่าเรานี่เป็นผู้ใหญ่มีเงิน ม, ง ม, มีทองมีข้าวมีของมากมีบริษัทมีบริวารมาก กิเลสมันจะไม่ย่ายีเราเพราะว่าเราเป็นผู้มีหน้ามีตาอย่างนั้นก็ไม่ได้กิเลสไม่ได้เข้าใครออกใครสามารถที่จะย่ายีได้ทุกคนสามารถที่จะย่ายีได้ทุกเพศ ท, ทุกวัยทุกลักษณะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการทำจิตให้สงบคือความเป็นสมาธิของจิตที่สามารถที่เราเอง จะต่อสู้ไม่ให้กิเลสมันย่ายีเราได้เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นกินเลสกิเลสที่มันจะมาย่ายีเราแต่เราก็ยังมีทางที่จะปะทะหรือมีกำลังต่อสู้กับมันก็ถือว่ายังค่อยยังชั่วหน่อยพวกที่ไม่มีอำนาจที่จะไปต่อสู้กับมันหมดหนทาง คือหมดทั้งทางที่จะสู้กิเลสได้คนนั้นก็เรียกว่าถูกกิเลสตีย่อยยับไปการที่ถูกกิเลสตีย่อยยับไปนั้นเขาจะไม่มีสมาธิเขาจะไม่มีความดีไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีทานไม่มีศินไม่มีภาวนาถูกกิเลสย่ายีหมดสิ้นแล้วเมื่อถูกกิเลสย่ายีหมดสิ้นแล้วพวกเขาเหล่านั้น มันก็จะต้องไปประสบชะตากรรมชะตากรรมที่จะต้องไปนรกบ้างไปเกิดเป็นสัจจเทพชานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างเหล่านี้เรีย ก, กว่าถูกกิเลสย่ำยีเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติจบาบรราาสักทุกประการไม่สามารถที่จะช่วยได้เมื่อถึงเวลาที่ถูกกิเลสย่ำยีแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดผู้นั้นก็จะต้องลงไปสู่นรกไปสู่เปรตอสุรกายสัจจิฉานได้ด้วยประการทางปวงแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความต่อสู้มีความตั้งใจแน่วแน่มีการต่อสู้คือต่อสู้ได้เมื่อต่อสู้ได้แล้วกิเลสมันย่ำยี เหมือนกันแต่ว่ามันย่ำยีไม่ไหวเรามีกําลังเหนือกว่าเราก็สามารถที่จะต้านมันได้เมื่อต้านได้แล้วเราไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเป็ดไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อรอบจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็พบพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติความดีอันนี้คือปฏิบัติความดี ให้ยิ่งขึ้นไปรางวัลที่จะได้ก็คือสวรรค์ลและพระนิพพานในที่สุดนั่นคือรางวัลแห่งการต่อสู้ด้วยความชนะด้วยเหตุอย่างนี้เราก็จงรักษาที่มัน่นคือรักษาที่มั่นที่เราชนะแล้วนี่ให้ชนะอยู่เรื่อยๆไปถึงเราจะแพ้นินดๆหน่อยๆก็ช่างมันเถอะแต่อย่าให้มันแพ้มากนะัก แล้วเราให้มีส่วนชนะให้มากที่สุดที่ว่าชนะให้มากที่สุดนั่นก็คือให้จิตนี้สงบให้มากที่สุดวันหนึ่งสงบครั้งหนึงห่งวันหนึ่งสงบครั้งหนึ่งก็พอค่อยยังชั่วแต่ถ้าหากว่าเจ็ดวันสงบครั้งหนึ่งมันก็ค่อยยังชั่วแต่ค่อยยังชั่วไม่มากนักแต่ถ้าหากว่านานๆสงบครั้งหนึ่งคราวนี้เห็นใจแย่เพราะฉะนั้น การรักษาความสงบด้วยรักษาฐานะของจิตนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าเป็นเรื่องใหญ่มากหรือเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะการรักษาของดีนี่ไม่เหมือนกันกันกบรักษาของไม่ดีของไม่ดีที่เรียกว่าเป็นพวกปุ๋ยเห็นอุจจระปตวะเรือพวกนั้นนะ่ะพวกปุ๋ยนี่กองพันเนินเทินทึกไว้ในกลางทางค้นก็ไม่ขโมย หรือว่าก้อนดินก้อนหินกองเอาไว้กลางทางคนก็ไม่ขโมยไม่มีใครเขาอยากได้หรือว่าขโมยไปมันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ส่วนทองคำที่มีอยู่นั่นหรือว่าเพชรนินจินดารอย่างนี้ถ้าลองเอาไปตกไว้ข้างทางนั่นไม่ถึงห้านาทีมันก็จะหายโดยพลันเพราะฉะนั้นการรักษาทองคำรักษาทรัพย์สมบัติ แพชนินจินดาเหล่านี้เขาจำเป็นจะต้องมีตู้เซฟเขาจะต้องมีที่อรักขาเขาจะต้องมีการรักษาหวงแหนอย่างมหันอัอ น, นันต์เช่นเดียวกันกับความดีหรือสมาธิที่เราได้มาแล้วนี่แหละเมื่อเราได้แล้วนี่เราจะต้องรักษามันเอาไว้เพราะมันเป็นของดีมีค่าเหลือเกินถ้าหากว่าเราจะไปเปรียบเทียบเงิเงนทองเข้าของ เพชรนินจินดาแล้วสมาธิมีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นหลายร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเพชรนินจินดาเงินทองเข้าของเขายังรักษากันอย่างถวายชีวิตและในเมื่อสมาธิหรือความดีที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่านั้นดีกว่านั้นแล้วเราไม่รู้จักรักษานี่เป็นผลเสียกับเราอย่างยิ่งแต่การรักษานั้น ก็ต้องมีความเข้าใจคือเข้าใจว่าการกระทำไปอยู่เสมอเสมอถือว่าเป็นการรักษาการรักษานั้นคือการเพิ่มเติมเมื่อสมาธิเราทำหนึ่งครั้งเราทำต่อไปสองครั้ ง, เ ร, ง, รงเราทำต่อไปสี่ครั้งเราทำต่อไปแปดครั้งเราทำต่อไปร้อยครั้งหลายร้อยครั้งอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเรารักษาสมาธินี้ ถือว่าเราได้พากันรักษารักษาสมาธิมีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญนี่ถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีความเอาชีวิตถวายด้วยการรักษาสมาธิเช่นเดียวกันกับท่านพระเถระผู้รักษาศีลของท่านด้วยชีวิตคือมีพระเถระองค์หนึ่งนั้น ได้รับนิมนต์ของในช่งแก้วของนายมะนีการนายมณนีการนั้ น, นก็ได้นิมนต์อารัธนาพระภิกษุองนันมาถวายบิณฑบาต ท, ทุกวันทุกวั น, วนเป็นเวลาถึงสิบสองปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้านดินได้เอาเพชรมาให้นายมณนีการนั้นเจียรไนเมื่อเอามาเจียรไนแล้วนายมณนีการนั้นเหลอ ก็วางไว้บนเขียงในขณะที่มือเปื้อนเลือดอ่อเปื้อนเอ่อเปื้อนเลือดที่สับเนือ้อในบ้านนั้นมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งเห็นเพชรเม็ดนั้นนึกว่าเป็นก้อนเนือ้อมันจึงได้ขมือเข้าไปในขณะที่มันขมือเข้าไปนั้นพระเถระองนั้นท่านก็ น, นั่งอยู่เห็นนกกระเรียนตัวนั้นขมือเพชรเม็ดนั้นเข้าไปในท้องแล้ว ในมณีการกลับออกมาไม่เห็นเพชรตกใจสุดกำลังเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้เพชรแล้วหมายถึงว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วถูกตัดศีสระแน่นอนจึงได้ถามเพราะว่าไม่มีใครนีแต่พระองค์เดียวนั่งอยู่นั่นพระท่านก็บอกเอาท่านถ้าหากว่าท่านบอกว่านกจระเยนตัวนั้นกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปแล้วท่านก็จะต้องเป็นอาบัติแต่ท่านไม่บอก ท่านไม่บอกท่านก็ต้องเป็นอาบัตก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็นิ่งถามอทไรท่านก็นิ่งคาพูดนั้นไม่มีพูดโดยเด็ดขาดในที่สุดในมณีการเห็นว่าพระองค์นี้อมเพชรเม็ดนี้เสร็จแล้วจึงได้เอาตะบองมาตีเอาเชือกมามัดแล้วก็เอาตะบองตีพระตีจนกระทั่งเลือดท่านอาเจียนออกมาเป็นเลือด เป็นลิ่มๆออกมาจากปากเมื่อนอกกระเรียนได้กลิ่นเลือดมันก็รีบมาที่ก้อนเลือดนั้นมาถึงก็มากินเลือดพระในขณะนั้นเองในนันมีการโมโหอย่างสุดขีดจึงได้เตะนกกระเรียนทีเดียวนกกระเรียนนั้นตายทันทีเมื่อนอกกระเรียนตายแล้วพระท่านจึงมองไปบอกว่าโยมนกกระเรียนตายแล้ใช่ไหม บอกว่าใช่ท่านก็จะตายเหมือนนอกกระเรียนนี่แหละถ้าไม่บอกว่าเพชรอยู่ตรงไหนพระท่านก็บอกว่าเมื่อนกกระเรียนตายแล้วอัตมาก็จะบอกให้ว่าเพชรนั้นน่ะอยู่ในตัวนกกระเรียนนั่นแหละเพราะมันกินไปเมื่อกี้มันในมันมีการ จ, รงจริงได้แล่น่ะจิงได้แล่นกตัวนั้นออกแล้วก็พบเพชรอยู่ในกระเพาะเสียใจเป็นอันมากที่ได้ตีพระเกือบตายแล้ว ก็ขอขมาโทษแล้วก็ขอให้ท่านได้มาฉันที่บ้านของข้าพเจ้าอีกต่อไปพระองค์นั้นจึงบอกว่าอาตมามาฉันสิบสองปีแล้วสมควรแก่การถึงจะฉันอีกต่อไปมันก็ไม่เป็นการสมควรแล้วอาตมาจะเข้าป่าแล้วจึงได้เข้าป่าไปบาเพ็ญสมาธิความเพียรแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันในเวลาต่อมา ความรักษาในเรียกว่าท่านรักษาศีลของท่านด้วยชีวิตสมาธิที่เราพากันปฏิบัตินี้ก็ต้องรักษาด้วยชีวิตด้วยเหตุนั้นพระผููที่คงแก่ธรรมทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติท่านจึงเอาชีวิตของท่านเป็นเดิมพันในการที่ท่านจะทุกดงไปในป่าดงต่างๆเพื่อที่จะรักษาสมาธิอันนี้เอาไว้ พวกเราท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วอย่าได้พากันมีความประมาทพยายามที่จะรักษาฐานะแห่งความชนะของเราเอาไว้ให้ได้ตลอดการเมื่อเรารักษาสมาธิสมาธินี้เป็นสิ่งแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเรารักษาแล้วเนี่ยสมาธิมันอาจะเป็น การที่อบรมไปในตัวเสร็จการอบรมสมาธิไปในตัวเสร็จนั่นก็หมายความว่าจะเจริญยิ่งขึ้นเมื่อเรารักษาดีก็หมายความว่าเราทำอยู่บ่อยๆสมาธินี้ก็จะก้าวขึ้นจากสมาธิธรรมดาจนกระทั่งเป็นสมาธิอุปจาระแล้วก็เข้าไปถึงสมาธิอัปปนาท่านทั้งหลาย การที่ทําจิตของตอนให้เป็นขณิกะสมาธิได้นั่นก็นับว่าดีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าทําให้ถึงอุปจารสมาธิได้ก็ยิ่งวิเศษใหญ่ขณิกะสมาธินั่นคือสมาธิเฉียดเฉียดหรือเรียกว่าเป็นสมาธิมันก็ปปเดียวประดาวแล้วก็ไม่สงบแล้วไปเดียวก็คิดอีกแล้วไปเดียวก็สงบอีกแล้วไปเดียวก็คิดอีกแล้ว ไปเดียวกัสงบอีกแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ถ้าหากว่าสงบโดยที่ไม่มีความคิดมีอยู่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจะเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไม่นึกคิดไปทางใดอย่างนั้นจึงเรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนคณิกะสมาธินั่นเป็นสมาธิที่โดยทั่วๆไปสามารถทําได้ส่วน อุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิพิเศษที่บุคคลจะทำเป็นอุปจารสมาธิได้นั้นก็ต้องต่อเมื่อมีความชำนาญแต่อุปจารสมาธินั้นจะเกิดขึ้นเพราะรอาศัยทณนิกะสมาธินั่นเองขณนิกะนั่นก็เหมือนกันกันกบเด็กอ่อนแต่สมาธิที่เป็นอุปจาระก็เหมือนกับคนหนุ่มสาวที่มีกาลังเต็มที่อย่างนี้ แต่การที่จะเป็นหนุ่มสาวขึ้นไปได้ไม่ใช่ว่าจะกระโดดเกิดมาทีเดียวก็หนุ่มเลยก็หาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเด็กไปก่อนแล้วถึงจะมาถึงหนุ่มแล้วถึงจะมาเป็นหนุ่มต้องมาจากเด็กเพราะฉะนั้นสมาธิของกเนกะเนจึงเป็นสมาธิที่เราจะต้องทำมากเหลือเกินกว่าที่จะเป็นอุปจาระขึ้นมาได้คือต้องอาศัยความชนานาญ ความชำนาญ น, นั้นหมายถึงอะไรความชำนาญหมายถึงการที่จิตนั้นเข้าสู่ผวังจิตที่จะสงบเป็นองชานหรือเป็นสมาธิจะต้องผ่านผวังเข้าไปเมื่อผ่านผวังเข้าไปนั้นถ้าเป็นคณิกสมาธิจะเข้าไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะไปรู้เรื่องเอากต่อเมื่อเลิกจากสมาธิแล้วภายในสมาธิทำอะไรไม่ได้นั่นคือคณิกสมาธิ ส่วนที่เป็นอุปจารสมาธินั่นเมื่อเข้าไปในผวังแล้วก็ไปทำงานได้ในที่นั้นผวังนั่นถ้าเรายังไม่รู้เราก็คิดถึงเอาเวลาที่เราไปนอนหลับก็แล้วกันเวลาที่เรานอนหลับนั่นแหละเรียกว่าเราจิตมันเข้าผวังทีนี้เราจะไปรู้สึกได้เอา็ต่เมื่อเราตื่นแล้วในผวังนั่นแหละเราทำอะไรไม่ได้หรอกเช่นอย่างเรา เพอเราฝันว่าเราไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราอยากจะเติมความฝันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนคณิกะสมาธิแต่ถ้าเป็นข้อเปรียบเทียบถึงอุปจารสมาธินั่นเมื่อเวลาเข้าไปในภวังนั้นเหมือนกับความฝันแต่ฝันนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้เช่นอย่างเมื่อเวลาเห็นบ้านเราก็สร้างขึ้นมาให้มันมีหลังคาหรือ บ้านให้มันมีภูเขาว่ามันมีต้นไม้สร้างขึ้นมาได้หรือเห็นร่างกายแยกร่างกายออกมาให้เห็นว่าอันนี้เป็นกระดูกให้เห็นว่าอันนี้เป็นคนตายคือหมายความว่าทำงานได้ในพะวังนั้นจึงเรียกว่าอุปจาระสมาธิแต่ถ้ายังทำไม่ได้เราก็ยังต้องยอมรับตัวของเราเองว่าเรายังเป็นขณิกสมาธิแต่ถึงอย่างไรก็ตามคณิกสมาธินั่นแหละ ก็มีคุณานุคุนต่อการงานต่อความที่จะยับยั้งชั่งจิตของเราได้มากคนเคยโมโหโมโหก็หายไปคนเคยพยายามบาตพยายามบาตก็เบาบางลงไปหรือว่าคนเคยทํางานผิดผิด พ, พลาดแต่ก็ทํางานรอบครอบยิ่งขึ้นคนที่ไม่เคยได้รับความทรงจําก็ได้รับความทรงจํามากยิ่งขึ้นอุปการะของคนิกรรสมาธิก็มีมาก เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือในกิจการงานเมื่อผู้ใดเมื่อเราเกิดมีสิ่งที่เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นมันก็ไม่เดือดร้อนในใจนักหรือเอามั้นเดือดร้อนขึ้นมาก็ประเดียวเดียวก็หายอย่างนี้เป็นต้นอุปการละของสมาธินี่มากอย่างนี้แต่ว่านี่ก็คือเป็นเพียงคณิกะแต่ถ้าเป็นอุปจาระแล้วเราสามารถกดไปได้เลย เรียกว่ามันจะโมโหขึ้นมากกอดลงไปได้เลยทันทีอย่างนี้และอุปจารสมาธินี่เองที่คนทั้งหลายที่เขาปฏิบัติกันพวกฤาษีชีพลัหรือว่าพวกใครๆพากันดลิขชาติผลหลังไดบ้บางหรือพากันแสดงฤทธิ์ได้บังเหาะเหินเดินอากาศได้บางบังคับจิตใจบุคคลผู้อื่นได้บ้างอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นจากอุปจารสมาธิ แต่อันนั้นเรียกว่าเป็นโลกีเมื่อทำไปอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะกาจัดกิเลสอะไรได้ก็เพียงแต่ว่าถ้าทำให้ยิ่งขึ้นไปก็เป็นอรูปฌานเมื่อเป็นอรูปฌานแล้วก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นสูงขั้นสูงเกินไปอย่างนั้นจะบำเพ็ญวิปัสสนาก็บำเพ็ญไม่ได้มันสูงเกินไปต้องลดจิตลงมาจาก อรูปฌานให้มาเหลือรูปฌานจึงจะสามารถบำเพ็ญวิปัสสนาได้การบำเพ็ญวิปัสสนาก็คือบำเพ็ญในอุปจารสมาธิที่มีความชำนาญชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่เวลาจิตที่จะเข้าไปนี่ก็รู้เวลาตั้งอยู่ก็รู้เวลาออกมาก็รู้ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิ ไอ้ข้อนี้พูดกันง่ายๆไม่ต้องพูดกันยากๆคือพูดกันง่ายๆว่าอุปจารสมาธินั่นก็คือสมาธิที่ทํางานได้เต็มที่หรืออยู่ในระหว่างรูปฌานเมื่อต้องการจะบังเพนให้เป็นวิปัสนาคือบังเพนให้เป็นวิปัสนาก็กําหนดจิตพิจารณาไปเลยกําหนดจิตพิจารณาให้เห็น เคยกำหนดจิตพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปถ้าอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วแจ้งเคยอย่างเราหลับตามองไปเห็นกระดูกหมดแม้แต่แผ่นดินนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาบางังบังได้ภูเขาก็ไม่สามารถที่จะบังได้ผู้ที่มีจิตที่ละเอียดเข้าสู่อุปจาระและพิจารณาด้วยความชำนาญแล้วนั้นสามารถที่จะมองเห็นได้ เมื่อมองเห็นแล้วก็ดำเนินให้เป็นวิปัสสนาไปก็แล้วกันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ทางอื่นถ้ า, าไปใช้ทางอื่นเป็นอิทธิฤทธิ์บ้างอะไรบ้างประเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันเสื่อมได้เพราะว่าสมาธินี่มันเป็นสังขารอันหนึ่งเหมือนกันเอาไปใช้ผิดผิดมันก็เสื่อมเหมือนกันกันกบลูกศิษย์ของท่านพระมาหากัสปะ ลูกศิษย์ของท่านสมมาหาเกษตรมานบคนหนึ่งนั่นเป็นลูกศิษย์ของท่านสมมาหาเกษปะมาเรียนสมาธิกับท่านจนกระทั่งได้อุปจารสมาธิแล้วก็เข้าฌานเหาะไปในอากาศเหาะไปเรื่อยไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งก็เหาะไปไปพบผู้หญิงสาวสวยกําลังเก็บดอกดัวอยู่ที่ในสระจิตเกิดปฏิพัตกลงมาจากอากาศ เมื่อเป็นเช่นนั้นชานก็เสื่อมหมดแล้วก็เลยเไปได้เสียผู้หญิงต่อมาหากินไม่เป็นก็ไปปล้นเขาเขาก็จับเอามาประหารชีวิตก่อนแต่ที่จะประหารชีวิตนั้นพระมาหากรสปะท่านก็สงสารจิตของท่านเข้าไปใกล้ๆแล้วบอกว่าชานที่เธอเคยทำนะจิตที่เธอเคยทำนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นทาไมเธอไม่ทา ว่าทั้นั้นเองละมานพนั่นก็เข้าฌานได้ทําลายเครื่องผูกพันธนาการเหาะไปในอากาศได้อีกตามเดิมเรียกว่าโลกิยาฌานนั้นเสื่อมได้ไม่สามารถที่จะไปได้ตลอดไม่เหมือนโลกุตระเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดําเนินวิปัสสนาการดําเนินวิปัสสนาก็คือพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งกระจัดลงไปในสังขารทั้งหลายมีรูปเป็นต้น จะเป็นรูปของเราที่เรายึดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายยึดว่าเป็นตัวเป็นต น, ต อ, นอันนี้แหละเรีย ก, กว่ารูปเมื่อพิจารณาเห็นจริงแจ้งระจักลงไปแล้วนิพพยายนคือความเบื่อหน่ายก็บังเกิดขึ้นเช่นเดียวกับท่านตันจวักคีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ารูปังพิครเวอนักตาดูก่อนที่สุดทั้งหลายรูปไม่เชตตนรูปังนิจังวาอ น, นิจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ปัศสมาธิหาภิกขเวะพระเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอตัตตตังอนาคตกตังปัจจุปันังรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันสัพยังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหะมัสสมินม้าเนโซอัต ต, ติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเทวะเมตังยถาภูตังสมปัญญาอย่างตะปังพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบถ้าจิตเข้าสู่อุปจารสมาธิแล้วมีความชำนาญแล้ว สามารถทำปัญญาอันชอบนี้ให้เกิดขึ้นมาได้แล้วต่เห็นจริงแจ้งไะจั์ลงไปในสังขารทั้งหลายรูปปัจจนเองตินิบินติก็เบื่อหน่ายในรูปแต่การํำเพ็ญวิปัสสนานั้นมีเรื่องที่จะต้องอธิบายเยอะแยะเหมือนกันเราจะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าทำปั๊บได้ปุ๊บเมื่อเกิดนิพพายานขึ้นมาแล้วก็สำเร็จเลยไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องเกิดนิพพยานขึ้นมาอีกหลาย แล้วก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมาในที่นี้อีกเยอะจะเป็นความละเอียดความอ่อนนุ่มความเบิกบานความโองไสแล้วมีธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาบอกว่าเราได้สาเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็มีแต่ถ้าหากว่าเราเป็นหลงเชื่อเช่นนั้นแล้วท่านเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสนั้นไม่ได้ทาให้คนไปตกนรกหอก แต่ว่าทำให้เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลมหน้ากลมตาทำไปเรื่อยไปแต่การทาการพิจารณานั้นท่านไม่ให้พิจารณาหมดเลยเวลานั่งสมาธิไม่ให้พิจารณาหมดเลยอย่างนั้นมันจะเกิดความทุ้งสร้นพิจารณาเพียงชั่วระยะเพราะชั่วระยะแล้วก็ละลายที่เมื่อทำอย่างนี้จิตมันก็หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยอานาจแห่งวิปัสสนา แต่เรื่องของการปฏิบัตินี้ท่านทั้งหลายจงพากันระวังอย่าทําจิตใจของเหล่านี้ให้เกิดความลบให้พยายามตั้งใจอุตสาห์ทําไปจะพบก็ตามไม่พบก็ตามจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามจะเป็นก็ตามไม่เป็นก็ตามจะอย่างไรก็ตามเรามีหน้าที่ทําทําเรื่อยไปแต่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ไขาตามที่เรามีความรู้ ในที่สุดสมถะเต็มที่มีปััษนาเต็มที่เราก็จะพบผลถามอันบริสุทธิ์ต่อไปนี้ก็สมาธิกันไปอีกสักพักหนึ่ง